ข้าพเจ้าได้พยายามอธิบายหลักวิชาในเรื่องเหล่านี้มาอย่างละเอียดและปราณีตที่สุดเท่าที่ความเข้าใจของข้าพเจ้ามีอยู่และท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าการที่เราจะปฏิบัติตามหลักวิชาที่ว่านี้ไม่ใช่ของง่ายและเป็นสิ่งแน่นอนว่าถ้าพื้นฐานทางจิตใจและสมองของเราอยู่ในระดับคนธรรมดาสามัญซึ่งมักจะเป็นโรคประสาทง่ายถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นบ่อย และยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงตันหาราคะและกิเลสอื่นๆอีกหลายเรื่องอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ลองคิดเอาเองก็เลิกกันว่าเราจะต้องใช้เวลากี่ร้อยชาติหรือกี่พันชาติกว่าจะก้าวมาถึงจุดขั้นสูงอย่างน้อยเอาแต่เพียงแค่สามารถที่จะเข้าฌานได้เสมอไม่ว่าเมื่อไหร่และที่ไหนและไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งขั้นที่ว่านี้ ยังไม่ถึงขั้นอริยาบุคคลแต่ถึงกระนั้นมันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนหรืออบรมไม่ใช่เล็กน้อยเลยอันที่จริงการที่จิตใจของคนเราก้าวหน้าช้าเป็นเพราะเราเข้าใจเรื่องชีวิตผิดมีจุดหมายที่ผิดเราหลงทางเดินวนเวียนซ้ำๆอยู่แต่ในทางเก่าซึ่งเป็นทางที่ไม่ทำให้เราก้าวหน้าและเราทำกันไปโดยไม่รู้สึกตัว ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือคนเกือบจะทั้งโลกมุงสร้างแต่ฐานะภายนอกสแสวงหาความร่ำรวยความยิ่งใหญ่หรือความมีอำนาจโดยไม่ค่อยจะนึกถึงฐานะทางจิตใจทั้งที่คนส่วนมากก็รู้อยู่ว่าเมื่อตายแล้วสมบัติภายนอกเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สนใจที่จะสร้างฐานะภายในคือการปรับปรุงจิตใจของเขาให้ดีขึ้น น้อยคนมากที่จะรู้ว่าสมบัติภายนอกทุกอย่างย่อมเกิดจากสมบัติภายในชีวิตทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของตัวเองสมบัติที่แน่นอนที่จะติดตามเราไปได้ทุกชาติและมันพร้อมที่จะให้ผลอยู่เสมอก็คือวิบากของความดีและความชั่วที่เราได้สร้างให้แก่จิตใจของเราทุกๆขณะและทุกๆวันนั่นเองเพราะฉะนั้น การตั้งจุดหมายในการดำเนินชีวิตหรือการสร้างฐานะให้กับตัวเองนั้นเราควรจะมุ่งสร้างฐานะภายในยิ่งกว่าฐานะภายนอกคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างนี้เท่านั้นเขาจึงจะเริ่มเดินทางถูกและการก้าวหน้าของเขาก็จะค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อยดีขึ้นโดยลำดับซึ่งมันอาจจะไม่ต้องใช้เวลานานา น, นับเป็นร้อยร้อยชาติในเมื่อเขารู้สึกตัวเช่นนั้นแล้ว การที่คนส่วนมากต้องย่ำเท้าอยู่ที่เกา่าหรือส่วนมากต้องถอยหลังแทนที่จะก้าวหน้าก็เพราะความหลงผิดไม่เข้าใจเรื่องชีวิตนั่นเองการวิวัฒนาการในทางสมองและในทางจิตใจจึงได้เป็นไปอย่างช้าที่สุดชา้าจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอีกกี่ร้อยกีย่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติหรือว่าอีกกี่กับกี่กัน กว่าจะก้าวหน้าขึ้นมาได้ขอให้นึกถึงเรื่องสัพพาสาธารณะเจตสิกอีกครั้งหนึ่งคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตตาชีวิ ต, ตินสีและมนาสิการถ้าหากท่านเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งได้อธิบายมาแล้วในตอนแรกแต่จะให้ข้อคิดว่าสำหรับคนที่มีพื้นทางสมองและคุณสมบัติทางจิตใจสมบูรณ์ขึ้นเพียงไร <c oughs> เขาก็จะมีความจำดีขึ้นเพียงนั้นเพราะโดยธรรมดาไม่มีอะไรผ่านเข้าสู่จิตใจมันก็พร้อมอยู่เสมอที่จะจำและบันทึกเอาไว้เหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียง ธรรมชาติแห่งจิตใจของคนเราย่อมเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนคนที่มีความจำไม่ดีก็อาจจะเปรียบได้กับกล้องถ่ายรูปที่ไม่ดีฟิล์มที่ไม่ดีหรือเครื่องบันทึกเสียงไม่ดีเทปไม่ดีอะไรํำนองนี้ขอให้ท่านพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาจนถึงข้อที่6และโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือการสาธยายมน คือตัวจักรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้สมองของคนเราวิวัฒนาการดีขึ้นโดยลำดับอย่าลืมว่าคำว่าสาธยายมนหมายถึงการบริกรรมหรือการทบทวนการสวดบ่อยๆถึงสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเป็นการสาธยายด้วยความเข้าใจและมีสติอยู่กับตัวทุกขณะคนสมัยนี้ชอบเรียนอะไรกันมาก พอรู้เรื่องนี้แล้วก็ผ่านไปเรียนเรื่องนั้นแล้วก็เรียนเรื่องอื่นต่อไปอีกเขาเป็นคนมีความรู้กว้างใครจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดูเหมือนจะรู้และเข้าใจทุกอย่างแต่ความมั่นใจหรือความแน่ใจว่าตนเองรู้อะไรจริงๆไม่ค่อยจะมีน่าสงสารเด็กสมัยนี้ที่ต้องเรียนวิชาหลายอย่างและแต่ละอย่างก็เป็นวิชาหนักๆซึ่งจะต้องพยายามใช้ความจา แต่แล้วเราจะสังเกตได้ว่าพอเลิกเรียนไม่นานเท่าไหร่ก็ลืมสิ่งที่เรียนมาเพราะจะต้องเรียนอย่างอื่นต่อไปอีกการสาธยายมนเป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงเกือบจะไม่ได้ใช้กันเลยเด็กนักเรียนมีการสวดมนทุกวันแต่ก็สวดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองและที่ร้ายที่สุดก็คือใจไม่ได้อยู่กับคาสวดมน นี่คือภาวะที่น่าสังเวชของการเรียนสมัยนี้จบเสียงานทำอย่างไรจึงจะมีความจำดีพรรัตนสุวรรณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต